บุ๊กท i แปดสิบสี่อดีตการสี่อ่านดิฉันอ่านแล้ว O, ฉันอ่านหนังสือนิยายทังเรื่องแล้วฉันอ่านหนังสือทั้งเรื่องแล้วเข้าใจรีวิวฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้ว ดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วยาสมรจูเมโอรจูเมลาเซโอเท็กซตอบตอดกัวออวอริตีดิฉันตอบแล้วยาสมอดกัววอริโ o อดกัววอริ่ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้วยาสม о อบกลับตอบกลับมาที่ทุกคำถ д มดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้วฉันรู้ฉันรู้แล้วดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วยนฉัยนแล้ ที่ดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้วยาช่ยมตยสตช่ว c h u ่ a ดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้วยอุซิตยสตอุอล ดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วยาโดนอซิมโตยาซิมโตโดนเอลโดนเอล่ดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้วยาคูปเยมโตยาซมโตคูปิโอคูปิล ดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไว้แล้วว่าดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้ว ดิฉันรู้ดิฉันรู้แล้ว